พุทวสสวัสดีค่ะท่านฟังที่ครบค่ะรายการสรนสนีสนทนายังมาทำหน้าที่ตามปกตินะคะติห้าถึงตีห้าครึ่งเพื่อที่จะให้ท่านฟังนั้นได้มีโอกาสดำเนินชีวิตอย่างเป็นปกติโดยมีธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคุ้มครองถ้าเราน้อมนำไปปฏิบัตินะคะและในช่วงนี้อยู่ในเวลาที่ ท่านจะได้เหมือนกับเดินทางไปสังเวชณียสถานกับคณะที่สัทธาในพุทธวัดเป็นอย่างยิ่งเราอยู่ที่รมเมฆะสุซึ่งเป็นสถานที่ที่พระพุทธองค์นั้นได้แสดงปฐมเทศนาค่ะและวันนี้พระมากชาคาวโรวัณ น, นาปะพงลำลูกกาคลองสิบก็จะได้น้อมนำคำขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เกี่ยวกับสังเวชณียสถานนั้นมาสาธยายต่อค่ะนาัส ก, การกะท่านคะเจริญพร วันนี้เราจะมาฟังเรื่องที่พระผู้มีพระภาคเจ้าไปปรดภิกษุ ป, ปัญจวาคี5รูปแรกที่เมืองพารณสีกันพร้อมกับประพฤติปฏิบัติทำความเพียรเผากิเลสด้วยการเจริญอาณาปานสติพร้อมแล้วก็เริ่มได้เลยก็ให้พวกเรารู้สึกอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกจิตหลุดไปคิดในความคิดอดีตอนาคตความสุขความทุกข์ ก็ให้วางความคิดนั้นเสียและให้มีสติระลึกรู้อยู่กับลมหายใจหรืออิริบทอื่นๆของร่างกายพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสกับราชกุมารเรื่องที่พระองค์ได้ส็ิไปโปรดภิกษุปัญชาวคีว่าราชกุมารลำดับนั้น เราจะริกไปโดยลำดับไปสู่เมืองพาราณสีถึงที่อยู่แห่งภิกษุปัญจวาคีณอิสิ ป, ปตนะมรุคาไทยวันแล้วภิกษุปัญจภิกษุปัญจวาคีเห็นเรามาแต่ไกลได้ตั้งกติกาแก่กันและกันว่าผู้มีอายุพระสมณะโคดมนี้กำลังมาอยู่เธอเป็นผู้มากมาก สลัดความเพียนเวียนมาเพื่อความเป็นคนต่ำเสียแล้วเช่นนั้นเราอย่าไหวยอย่าลุกรับอย่าพึงรับบาจีวรของเธอเป็นอันขาดแต่จากตั้งอาสนะไว้ถ้าเธอปรารถนาจากนั่งได้ดังนี้หลังจากที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงทำให้ภิกษุทั้งห้า ฟังทำได้แล้วจึงได้ตรัสว่าราชกุมารเราได้สามารถเพื่อให้ภิกษุปัญจวัคคีย์เชื่อแล้วแลราชกุมารเรากล่าวสอนภิกษุสองรูปอยู่ภิกษุสมรูปเที่ยวบินทบาทเราหกคนด้วยกันเลี้ยงชีวิตให้เป็นไปด้วยอาหารที่ภิกษุสมรูปนำมา บางคราวเรากล่าวสอนภิกษุสมรูปอยู่ภิกษุสองรูปเที่ยวบินธบาตเราหกคนเลี้ยงชีวิตให้เป็นไปด้วยอาหารที่ภิกษุสองรูปนำมาราชกุมารครั้งนั้นเมื่อเรากล่าวสอนพร่ำสอนภิกษุปัญจวคีอยู่ด้วยอาการอย่างนี้เธอกระทาให้แจ้งซึ่งประโยชน์อันยอดเยี่ยม อันเป็นยอดแห่งพรหมจรรย์ด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันนี้เข้าถึงแล้วแลอยู่อันเป็นประโยชน์ที่ปรารถนาของเหล่ากุลบุตรผู้ออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่มีเรือนโดยชอบได้แล้วภิกษุทั้งหลายครั้งนั้นเมื่อเรากล่าวสอนกล่มสอนภิกษุ ป, ปัญชวิคี อยู่ด้วยอาการอย่างนี้คือมีสิ่งที่แล่นดิงไปสุดตรงอยู่สองอย่างที่บรรพชิตไม่ควรข้องแวะด้วยสิ่งที่แล่นดิงไปสุดตรงนั้นคืออะไรคือการประกอบตนพัวพันุอยู่ด้วยความใคร่ในการทั้งหลายอันเป็นการกระทําที่ยังต่ําเป็นของเชาวบ้าน เป็นของคนชั้นปุถุชนไม่ใช่ของพระอริยเจ้าไม่ประกอบด้วยประโยชน์และการประกอบความเพียรในการทรมานตนให้ลาบากอันนำมาซึ่งความทุกข์ไม่ใช่ของพระอริยเจ้าไม่ประกอบด้วยประโยชน์สองอย่างนี้แลภิกษุททั้งหลายข้อปฏิบัติเป็นทางสายกลาง ที่ไม่ไปหาสิ่งสุดตรงทั้งสองนั้นเป็นข้อปฏิบัติที่ตถาคตได้ตรัสรู้เฉพาะแล้วเป็นข้อปฏิบัติทำให้เกิดจักสุเป็นข้อปฏิบัติทำให้เกิดยานเป็นไปเพื่อความสงบเพื่อความรู้อันยิ่งเพื่อความตรัสรู้พร้อมเพื่อนิพพาน ภิกษุทั้งหลายข้อปฏิบัติที่เป็นทางสายกลางที่ไม่ดิ่งไปหาที่สุดโตรงสองอย่างนั้นเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายข้อปฏิบัติอันเป็นทางสายกลางนั้นคือข้อปฏิบัติอันเสมือนหนทางอันประเสริฐประกอบอยู่ด้วยองค์8ประการนี้เอง8ประการคืออะไรเล่า คือความเห็นที่ถูกต้องความดำริที่ถูกต้องการพูดจาที่ถูกต้องการทำารงานที่ถูกต้องการอาชีพที่ถูกต้องความเพียรที่ถูกต้องความประดิก์ที่ถูกต้องและความตั้งใจมั่นที่ถูกต้องภิกษุทั้งหลาย นี้แหละคือข้อปฏิบัติที่เป็นทางสายกลางที่ตรัสรู้ที่ตถาคตได้ตรัสรู้เฉพาะแล้วเป็นข้อปฏิบัติทำให้เกิดจักสุปทำให้เกิดยานเป็นไปเพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้พร้อมเพื่อนิพพานดังนี้แล้ววันนี้เราก็ปฏิบัติมาได้สมควรแก่เวลา แล้วก็ได้ฟังพระสูตรที่พระองค์ได้จัดสอนภิกษุปัญจวาคีเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาฟังพระสูตรกันต่อพร้อม ก, กับพระพุทธปฏิยัดแปรพร้อมๆกันวันนี้ก็พอเพียงเท่านี้ก่อนค่ะถ้าใครที่เคยไปสังเวชณียสถานในส่วนของธรรมีขัดสถูปแล้วระลึกถึงพระสูตรพระสูตรนี้เนี่ยจะเหมือนกับเป็นปัญจวาคียอยู่คนหนึ่งเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าได้ฟังธรรมจากพระพุทธองค์บอกว่าเป็น เทศนากันแรกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ว่าได้ก็นมสัส ก, การขอบพระคุณท่านมาร์คเอาไว้นะโอกาสนี้ค่ะจะรงพอ